ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมพระพุทธญาณได้นำเสนอบารมีธรรมทั้งสิบประการมาตามลำดับพร้อมโดยยกตัวอย่างพระชาติมาส4มสี่ชาติที่พระโพธิสัตว์ได้รับการพยากรณ์ในสนักของพระพุทธเจ้ารวมทั้งหมดก็ถึง24พระองค์ คือเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเพียรพยายามในการสร้างบารมีมายามนานระศาสนาที่เกิดขึ้นจึงเป็นการเกิดขึ้นของสิ่งที่โลกสัมผัสได้ยากที่พุเจ้าทรงแสดงไว้เป็นสี่ประการคือกิจโฉมมนุษสัพิลาโค การได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยเป็นไปได้ยากกิจชังมัญจาในชีวิตต่างการมีโอกาสได้ฟังพระธรรมก็เป็นไปได้ยากการมีโอกาสที่จะสืบต่อชีวิตไปเรื่อยๆนะก็ไม่ตายเสียในระหว่างก็ถือว่าเป็นไปได้ยาก กิจกรรมสรัทธาสภาวังการมีโอกาสฟังการศึกษาการสนทนาการปฏิบัติตามประศรธรรมก็เป็นไปได้ยาก เ, ออเพราะว่าการสืบต่อชีวิตนั้นมันก็สืบเนื่องมาจากการเกิดเป็นมนุษย์การเกิดเป็นมนุษย์มันก็สืบเนื่องมาจากบุญกุศลที่เรากระทาเอาไว้บุญกุศลก็สืบเนื่องมาจากการเกิดขึ้นของประพ ปุญญกุศลก็สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติธรรมธรรมก็สืบเนื่องมาจากการากสรัจโรของพระพุทธเจ้าพรกิจโฉบุธานมุปปาโดการบังเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่โลกสัมผัสได้โดยหยาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพวกธรรมะสมุสมทัยแประการเนี่ย เราลองนึกดูว่าในมูพุทธบริษัทของเรา <c oughs> อาจจะไม่เอาถึงแปดประการอาจจะเอาสักสองสามประการเนี่ยมันก็ทั้งยากแล้วละโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือยุคสมัยปัจจุบันมีลักษณะที่เราเรียวกว่าเบี่ยงเบนทางเพศอยู่สูงวันก่อนที่ไปประชุมที่สภากากษา มีทาไปสัมมาสมาชิกคือสมาชิกที่เขาร่วมไปสชุมท่านหนึ่งพูดในทํานองพระเป็นกระเทยพระเป็นอะไรภาษาอะไรพระเป็นตุด๊ดเป็นอะไรบวชคือจริงๆบวชไม่ได้นะในวินยัยในห้ามบวชเ อ, อ่อถ้าหลุดขึ้นมาได้ก็ถือว่าไม่เป็นพระที่ชอบด้วยพระธรรมวินยัยก็ต้องให้สึก ออกไปแต่ในนี้ปัจจุบันเนี่ยมันมันสับสนมากเพราะว่าพระอุปัชฌายะเองก็ไม่ส่วนหนึ่งก็ไม่ได้บวชในวัดตัวเองคือไม่รู้รายละเอียดของคนที่จะเข้ามาบวชเข้าไปโบวก็ไปเจอคนที่ขอบวชแล้วเจอบวชแล้วบางทีก็ไม่รู้จักกัน ปัญหามันตามมาเยอะแต่มันก็แสดงให้เห็นหนึ่งๆว่าการทรสมุทานที่วาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยากก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้พิจารณาทบทวนตรวจสอบดูซึ่งก็าหมาย ว, ว่าอาตมาเองก็ต้องสวจสอบดูตัวเองเหมือ น, นกันว่ามีสักกี่ข้อ ประการแรกก็คือเรียกว่ามนุษสสตะคือความเป็นมนุษย์ซึ่งมีทั้งกายและก็จิตใจที่เป็นมนุษย์เพราะว่าเนื้อหาของความเป็นมนุษย์จริงๆนั้นท่านเน้นไปที่คุณภาพทั้งจิตปัญญาเป็นพัฒนาการของปัญญาแล้วก็มีความบริสุทธิ์จากกิเลสประเภทยาแรงๆนะคร คือประเภทที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่นตนเองและบุคคลอื่นเราก็ต้องสงบกิเลสประเภทประเภทนั้นได้คือระดับนั้นได้โต้ก็จริงไม่ใช่เรื่องง่ายนะอัตภาพร่างกายนะั้นผู้วแต่ว่าจิตใจทํายังไงจึงจะเข้าถึงในจุดตรงนั้นได้ลิงคสัมปัมติความถึงพร้อมด้วยเพศคือบุรุษเพศ สงนี้มันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นคือบางทีสุภาพจิยจุค ป, ปัจจุบันเนี่ยท่านไปฟังอะไรสักคำแล้วก็ท่านไม่พอใจหาว่าศาสนากดขี่ทางเพศบ้างรังเกียจผู้หญิงบ้างอะไรแต่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยแม้แต่คำว่าอิทีมลังพระมจยยรยัทศกคือผู้หญิงเป็นอันตรายต่อพระมรด์นเนี่ย คือผู้ชายก็ถามเขาก็ตอบอย่างนั้นเนี่ยถ้าผู้หญิงก็ถามก็ตอบว่าผู้ชายเป็นอันตรายของพรหมจรรย์สร้างเป็นปัญหาวุ่นแไ ป, ปพ่ปรายกันหันแหลกไปหมดเลยมันนึกดูมันอะไรกันนักหนามนุษย์เราเป็นแปลกจริงๆก็เป็นกฎความจริงนะนี่ยพรหมจรรย์ก็คือการประพฤติอย่างพรหมงดเว้นการมีเพศสัมพันธ์ในการถามตรงนั้นน่ย ซึ่งก็แน่นอนนะฮะถ้าตัวเองจะงดเว้นรักษาศีลข้ออภรรมนะ่ะ้มาผู้ชายผู้หญิงก็เป็นอันตรายผู้ผู้หญิงก็ผู้ชายเป็นอันตราย่จริงๆมนธรรมดามากๆเลยไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ต้องไปว่าอะไรแต่ว่าเราก็ไปเอาอะไรมาอ้างสิทธิมนุษยชนอะไรเลยยุ่งๆลิงก์กับสัมปติก็เหมือนกันคือการถึงพร้อมด้วยเพศคือบุรุษเพศ มันก็แสดงถึงความพร้อมที่จะออกบวชอยู่ในป่าในดงนะฮะเห็าไมมว่านักบวชที่เป็นผู้หญิงเนี่ยมันก็บวชอยู่ในป่าในดงไม่ได้แม้แต่ภิกษุณีเราบวชตอนต้นๆก็ให้อยู่ป่าเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาก็ต้องเอาให้อยู่ในเมืองห้ามอยู่ป่าเลยพออยู่ป่าก็เป็นอันตรายในฐานะที่เป็นผู้หญิง เพรมันเป็นคล้ายๆกับความพร้อมเราจะเห็นว่าได้เพศเป็นบุรุษเพศเนี่ยมันก็เป็นความพร้อมอย่างหนึ่งที่ในการต่อไปน่ก็คือการออกปวดบแต่เหตุสัมปทาสมบัติคือสมบูรณ์ด้วยอุปนิสัยปัจจัยตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่อเราจะเห็นว่ามันไม่รู้สักกี่ล้านคนนะคือไม่ไม่มีอะคนมาถึงระดับเนี่ย บารมีนั้นแสดงว่าบำเพ็ญมาถึงเท่าไรสองสังขัยกระแสนกับสามารถบรรลุมรรคผลเป็นพระหันถตาออกบวชในศาสนาปธิปังกรพุทธเจ้าก็สามารถบรรลุมรรคผลเป็นพระหันได้แต่ว่าประสละไม่ยอมเอามานับหนึ่งใหม่คือสร้างบารมีอีกทั้งสี่สังขัยกรแสนกับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มาก คือแสดงด้งความกรุณาที่เปี่ยมล้นอยู่ภายใ น, ในใ จ, ใจิตใจต้องการจะช่วยรื้อขนสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากความทุกข์จริงๆเป็นลักษณะหมาบูรุษเขาเรียกว่าไม้มีอัธยาศัยใหญ่สัตว์ลัศนสมบัติคือถึงพร้อมด้วยการได้เห็นพระพุทธเจ้าขณะที่ยังทรงประชน์อยู่มีข้อแม้นะฮะคือต้องพยากรณ์โดยจากพระโอษ์ ตัวนี้มันก็กลายเป็นเกณฑ์อย่างหนึ่งที่เป็นการกําหนดให้เราทราบว่าไอ้เรื่องราวข่าวคราวต่างๆที่มีการร่ําลือที่พูดกันอะไรต่ออะไรนี่มันก็เยอะจริงๆนะแต่ว่าพระเราเนี่ยมันพูดยากคือไปพูดอะไรเข้ามาผู้ฟังเขาก็หาบาริษยาแล้วก็ปล่อยให้ถูกต้มก็ไม่ใช่พระไม่รู้แต่มันพูดไม่ได้ พอพูดเราก็ถูกดา่าแล้วก็หาวฤทธิ์สย า, ามชาวบ้านฤทธิ์สยากันและกันะอะไรแต่ไรเนี่ยที่จริงไม่เป็นเกณฑ์เด่นๆนะเกณฑ์ก็เราบอกเกณฑ์ให้เขาเชื่อหรือไม่เชื่อเป็นเรื่องของเขาเราไปชี้จริงไม่จริงเนี่ยมันก็ชี้ไม่ได้แต่ที่จริงเนี่ยการปฏิญาณตนเป็นพระศรีอานก็ดีเป็นพระพุทธเจ้าก็ดีเป็นพระหันก็ดีเนี่ยที่จริงวินิจฉัยได้ทั้งนั้น เพียงแต่ว่าถ้าขืนทำออกไปเนี่ยขืนพูดออกไปมันก็มีปัญหาอย่างเช่นที่แถววังน้อยเนี่ยเป็นผู้หญิงก็อ้างตัวเป็นพระสีอานมันผิดตั้งหลายเรื่องเนี่ยคือหนึ่งพระพุทธเจ้าต้องเป็นผู้ชายทําไมเป็นผู้ชายเพราะว่าเป็นความสาเร็จแห่งบารมีธรรมที่มันสมบูรณ์ทาให้ท่านได้อัตภาพ เป็นมหาบุรุษที่ประกอบด้วยมหาปริศลลักษณะบุรุษคือครบสามิสองประการมันเป็นเงื่อนไขเฉยๆรันตน์ยังบอกเอาไว้นะฮะว่าผู้หญิงนี่เป็นไม่ได้แค่ถามอย่างคือเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้แล้วก็เป็นเท้าส ก, กเทวราชไม่ได้เป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิไม่ได้ ถ้าเรียกจกักระพัดดีนีอย่างญี่ปุ่นเนี่ยมันก็เรียกเอาในภาษาญี่ปุ่นแต่ว่าจากักระพัดในความหมายจริงๆเนี่ยมันเป็นไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าพระเจ้าจากักระพัดต้องมีนางแก้วเห็นไหมมันมันมีกฎของมันอย่างเงี้ยกฎกฎต่างๆอย่างเงี้ยไม่ได้บอกว่าจากักระพัดต้องสมบูรณ์ด้วยบุรุษแก้วมันไม่ใช่อย่างเงี้ยเขบอกต้องมีนางแก้ว ก็แสดงว่าท่านก็ต้องเป็นผู้ชายมันเป็นสูตรวันการที่มีโอกาสเกิดมาแล้วก็พบประพุทธเจ้าขณะที่ส่งประช์อยู่เนี่ยมันเป็นจังหวะนิดเดียวอะเดียมายังมองเรื่องงานศพนะก็เป็นคนไม่ค่อยไปงานศพที่ไม่ไปในเหตุผลอย่างหนึ่งคืองานศพในช่วงมันสั้นนิดเดียว แล้วก็อยู่ระหว่างทุ่มครึ่งทุ่มทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มครึ่งอะนะฮะหรือว่าสองทุ่ม ก, กว่าหรือว่าทุ่มถึงสองทุ่มอะไรเนี่ยคือเราไปติดอะไรอยู่นิดเดียวเราก็าไปไม่ได้เผาศพนี่ก็ยากเลงคือเป็นจังหวะสั้นมากวันหนึงยี่สี่ชั่วโมงจริงแต่ตอนเขาเผาศพเนี่ยมันช่วงมันสั้นนิดเดียว ถ้าเราไปอยู่เสียห่างไปไม่ทันเราก็ไปไม่ได้เพราะนการเกิดในสังสารวัฏที่ได้จังหวะว่าพบพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้ามีพระชนอยู่แค่สี่สิห้าปีแต่นั้นเองแต่เราเกิดไกลไปหรือว่าเราเพิ่งเกิดก่อนพระพุทธเจ้าจะไป น, นิพพานมันก็จังหวะมันก็เสียหมด เพฉะ น, น, นโอกาสเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้โดยยากเป็นเขาเรียกว่าต้องเป็นปุญญาพิสันธาคือการหลั่งไหลมาแห่งบุญบารมีของท่านเหล่านั้นแล้วก็บรรพชาสมบัติคือได้ถือเพศเป็นนักบวชประเภทสัมมาทิฏฐิแต่นักบวชมันก็มีสองประเภทนะเพศมิจฉาทิฏฐิกับสัมมาทิฏฐิอย่างน้อยสัมมาทิฏฐิระดับที่เรียกว่า ไม่ห้ามสวรรค์เราจะพบว่าพระโพธิสัตว์เราเนี่ยจะเป็นพวกปริพาชกเป็นฤาษีเป็นดาบทเป็นภิกษุอะไรเนี่ยในาศาสนาของพระพุทธเจ้าบางพระองค์คือจะไม่เป็นพวกพวกวัตถุนิยมจัดทั้งหลายเพราะอะไรเพราะว่าหลักการปฏิบัติที่เราเรียกว่าคุณสมบัติเนี่ย มันเป็นพัฒนาการทางจิตตามโครงสร้างของศีลสมาธิปัญญานี่แหละแต่ว่ามันไม่เน้นไปที่ปัญญาสมบูรณ์คือเอาระดับศีลกับสมาธิแล้วก็มักจะลงตัวพูดถึงอภิญญาห้าสมาบัตแปดหมายความว่าได้รูปฌานเสียรูปฌานสี่แล้วอภิญญาห้าก็เป็นผลพวงมาจากสมาบัต ทีนี้คนที่ปฏิบัติได้อย่างนี้มันเรื่องใหญ่เรานั่งสมาธิไอ้กิเลสมันส ง, งบนี่โอ้โหน่าดูเลยบางทีไม่ได้เรื่องเลยทั้งนิดเองแต่ก็ต้องสู้กันอย่างนี้นะเพียงแต่ว่าคนคนคนหนึ่งถึงปฏิบัติมาได้ระดับนี้แล้วแล้วก็มีความพร้อมที่จะออกบวชได้คือออกบวชแล้วนะ อบวชแล้วตรงนี้ถ้าท่านเปลี่ยนพอไปเจอพระฏีปังกรพุทธเจ้าขอบวชเป็นภิกษุเนี่ยก็บรรลุมรรคผลนะเพราะว่าบา ร, รมีถึงบา ร, รมีถึงที่จะเป็นสาวกเรียกว่าสาวกกบบา ร, รมีญาณเนี่ยมันมีแล้วแต่ว่าสัมมาสัมโพธิญาณยังไม่มีคือบา ร, รมีระดับสัมสัมโพธิญาณยังไม่มีแต่นั้นเอง ย, ยังไม่ถึงยังไม่สมบูรณ์รสร้างบา ร, รมีอีกจํานวนมาก จึงจะเกิดบารมีที่สมบูรณ์แต่ที่ยิ่งใหญ่เราจะเห็นว่าเป็นศาสนาของความเพียรพยายามอย่างแท้จริงผลสำเร็จทั้งหลายในพุทธศาสนาถ้าหลักพุทธแท้ๆเนี่ยไม่มีการโดนบันดาลถ้าจะเกิดมันก็เกิดด้วยบุญแต่ไม่ใช่โดนบันดาลด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเทพเจ้าดยพระผู้เป็นเจ้าด้วยอะไร เทวดาอะไรก็อาจจะช่วยนะฮะแต่ก็หมายความว่าเราก็ทำบุญร่วมกับคนเหล่านั้นมาก็คล้ายๆกับคนเราเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นส่วนหนึ่งก็พระพวกก็ช่วยช่วยก็แสดงว่าเราก็เคยช่วยเขาม า, ขาเขาก็ช่วยเราเราก็ช่วยเขาแนวการดลบรันรดาลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่า ง, างๆเนี่ยเรานำไปเชื่อมโยงขึ้นมาเฉยๆ คือถ้ามันมีขึ้นมาสักอย่างหนึ่งก็ต้องแสดงว่าเราต้องทำบุญร่วมกันมาแล้วท่านก็เกิดเมตตากรุณาขึ้นมาก็ช่วยเหลือในกิจกรรมบางอย่างอย่างใกล้ๆกับเรื่องราวของพระเวสสันดรมีการช่วยเหลือจะเเวดาหลายช่วงด้วยกันอธิการสมบัติเนี่ยมันเป็นการกระทำที่บางครั้งบางคราวเนี่ยอาจจะต้องเสียสละแม้แต่ชีวิต เพื่อจะปฏิบัติภารกิจเหล่านั้นให้สำเร็จรุ่งไปแต่การสละชีวิตไม่ใช่ด้วยการทําลายชีวิตคนอื่นนะสละชีวิตตนเองเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลแก่บู้คลอื่นเพราะนเราจึงจึงไม่ค่อยพบพระโพธิสัตว์ที่ไปสละชีวิตอยู่ในสนามน้ำรบกบดบุตรดโดยฆ่าตายเยอะอย่างเนี้ยอย่า ง, างปรามอะไรเนี่ย อในเรื่องของเราเกียนพระรามหรือพระกฤษณะเนี่ยพระกฤษณะไม่ถึงกับฆ่าละ่ะแต่ว่ามันก็เหมือนกับฆ่าเพราะว่าไปไปแนะนำไปใช้เปแนะนำวิธีการกต่างๆให้เขาของเราพระโพธิสัตว์เราไม่เคยเจอเรื่องที่จะเป็นแม่ทัพนำหน้ากองทหารรบรากฆ่าศึกต่างๆเนี่ยเราไม่เคยเจอภาพเหล่านี้ เพราะว่ามันเป็นการกระทำเพื่อลดละความรุนแรงของกิเลสความคิดที่ยากทำเช่นนั้นมันต้องมีกิเลสเยอะพอสมควรถึงจะไปคิดออกคือความความคิดบางอย่างเนี่ยคนดีๆก็คิดไม่เป็นมีคราวที่อะไรเนี่ยตีพฤชสภาเนี่ยมีผู้ใหญ่ท่านเล่า มีนายทหารระดับนําท่านหนึ่งเป็นพลเอกก็ไปกันหลายคนนะฮะไปกราบพระต่อให้พระรสมน้ำมนต์ให้อลไรแต่อะไรก็บอกว่าแม้เอ๊คิดอย่างงี้ผมคิดไม่เป็นเอ๊คิดชั่วยอย่างงี้มันคิดไม่เป็นคิดจะไปฆ่าไปทําลายล้างกันหนึ่งคิดไม่เป็นเดี๋ยวก็ยอมหมด เพราะงั้นเอที่สร้างอธิการมาเนี่ยมันเป็นพื้นฐานบา ร, รมีที่สร้างอัธยาศัยก็ทำให้เกิดการวินิจฉัยตัดสินแล้วก็แยกแยะส่วนนี้ควรทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็เพื่อผลส ำ, สำเร็จจริงๆเนี่ยบางครั้งอาจจะต้องเสียสละชีวิตแต่ถ้าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นประโยชน์สูงกว่ามันก็ทำนะ แต่ว่าเป็นชีวิตระดับอุดมกติอุดมการ์คือว่าใจคนทุกคนคิดอย่างนั้นไม่ได้อย่างที่ท่านแสดงไว้ว่าบุคคลพึงสละทรัพย์เพื่อรักษาวัยสะสละทรัพย์เพื่อรักษาวัยวะสละวัยาวเพื่อรักษาชีวิตแต่เมื่อนุศสอนเรื่องธรรมให้สละทั้งทรัพย์ทั้งอวัยวะแม้กระทั่งชีวิตเพื่อรักษาธรรมะเอาไว้เนี่ยพิจริงเป็นสัจจะปฏิยาน งก็ต้องหนักแน่นบท ร, รุ่งฝสัจจปฏิญาณเยอะสัจจวิจาเยอะสัจจปฏิญญาเยอะแต่ว่าผู้เสดก็จบกันไม่ได้คิดจะรักษาอะไรเห็นไหมว่าก็สละกันมาได้เรื่อยๆถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันมองไปที่คุณภาพของจิตนะฮะเพื่อรักษาคุณภาพจิตตัวเองเอาไว้เนี่ยพร้อมจะสละแม้แต่ชีวิต เพราะนั้นบางทีเนี่ยก็เผชิญหน้ากับความตายแล้วสมมติเราถูกขู่ฆ่าให้ตายเนี่ยเราก็ไม่ไปเดือดร้อนอะไรอะ่ะแต่เราไม่คิดฆ่าเขาก็แล้วกันเพราะอะไรเพราะว่าเขาฆ่าเราเนี่ยเขาก็บาปเราเองก็ตายเร็วขึ้น น, นั้นเองเราก็ตายอยู่แล้วตายยังไงมันคือตายเหมือนกันไม่ได้แปลกอะไร ทำให้ได้ความคิดว่าคนเหล่านี้พร้อมที่จะรักษาความดีด้วยชีวิตนะฮะราฟษาความดีต่างๆไว้ด้วยชีวิตแม้แต่รักษาศีลบางตอนเราพบว่ามือระดับประโพติสัตว์รักษาศีลในขนาดที่เรียกว่ายังไม่ยอมทำลายศีลแม้ว่าตัวเองจะประสบความทุกข์ทรมารเดือดร้อนถูกเบียดเบียนเจ็บปวด รวดร้าวยังไงก็ตามนะฮะที่จะไม่ละเมิดศีทแล้วฉันตตาคือมีความพอใจเป็นกระบวนการธรรมะให้เราสังเกตถ้าเราพอใจก็จะใช้ความพยายามมีความพยายามก็จะมุ่งมั่นมุ่งมั่นก็จะใช้สวจสอบใช้ปัญญาใช้เหตุผลไปเรื่อยกระบวนการก็ปฏิจจานี่ไม่ใช่กระบวนการก็อิทิบาทเนี่ยก็จะหมุนหนุนเนื่องแล้วก็เพิ่มความเข้มข้นขึ้นไปโดยลําดับ เพื่อเราดูตอนที่เป็นพระเวสสันดรหรือว่าตอนที่เป็นเจ้าชายจิตตตะก็จะชัดเจนว่าเมื่อพอพระไทยในเรื่องอะไรหกลม้มหกลุกอย่างไกลก็ตามไม่ว่าสักฝากน้ำอย่างไงก็ตามต้องทําได้เพราะในหลักการสำคัญสองข้อเนี่ยที่จริงมันใช้ได้ทุกเรื่องคือที่การสมบัติ มันเราต้องการผลสูงนี่ต้องเสียสละสูงต้องทำงานหนักมันไม่ใช่เลื่อนลอยมาจากหน้าพากาศหรือเราไม่ต้องใช้ความเพียรพยายามไรเลยๆให้อนาสังเกตว่าความคิดในแนวของศาสนาปรสีอ่านที่เขาต้องการต้นกระบื้อพฤติสีมุมเมืองน้ำขึ้นข้างหนึ่งน้ำลงข้างหนึ่งอะไรแต่เนี้ยชอบกันมันมันไม่ได้หลักการพุทธปรจจะจา คือพุทธศาสนาในทุกอย่างมันต้องมาจากความเพียรพยายามไม่ใช่เล่นลาบลอยอย่างนั้นแล้วก็เป็นความคิดยุคเกษตรกรรมเยอะแต่คนก็ชอบกันแปลกน่าจมาตัา้งแต่เด็กด้ดยทำไปนะฮะอ่านศาสนาประสิีอ่านไม่เคยอยากเกิดในศาสนาประสรีอ่านเลยก็เห็นแล้วรู้สึกเราไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยมือเท้าไม่ได้ใช้อะไรเลยนะฮะลองสังเกต ในเสร็จในสุดมันจะอยู่กันยังไงก็ไม่รู้ว่าคนก็หน้าตาเหมือนกันหมดแผ่นดินก็ร า, าบปาเป็นหน้ากลองมันเป็นนิทานเยอะเลยแต่แปลกคนสนใจเรื่องวสีอาตเอาวสีอามาล่อแล้วได้งานทันทีเลยลำพังที่อยู่ทำกลางพาษีอาต น, นะฮะตรงนี้เป็นจุดใหญ่ในการทำงานในการประกอบอาชีพของศึกษาเราเรียนอะไรก็ตามนะเวลานี้แม้แต่ศึกษาเราเรียนเนี่ย บทสอนหนังสือที่มันท้อคือถามแลวแกตอบไม่ได้เลยถามกลับกรตอบไม่ได้เลยเรานั่งบรรยายอยู่ได้นะแล้วแกถามถามเราเราก็ตอบให้พอเราถามย้อนกลับเอ้าตอบไม่ได้ยางวันก่อนยังยังรู้สึกดีใจนะมีนิสิตนิสิตปริญญาโทนิสิตผู้หญิงจากไมโดนเ็มาสัมภาษณ์กับมิตยานิพล แล้วเกิดพอใจขึ้นมาก็ชวนเพื่อนมาอีกมาสัมภาษณ์เต้ถามดีพอเราย้อนกลับไปเรื่องอิสลามเก๋ก็ตอบได้เรื่องคริสก็ตอบได้เรื่องพูดก็ตอบได้เออเก่งยังชื่นชมเขานะคือคือคนที่ถามเป็นเนี่ยถามเรื่องศาสนาเป็นแล้วก็ถามกลับไปเนี่ยอจับประเด็นได้เข้าใจได้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมมากโดยเฉพาะเด็กขนาดนั้นอายุยี่สิบกว่าปาเนี่ยตอบได้ลึกซึ้งทีเดียวก็ยังยัง นึกยื่นชมเขาว่าเออโอกาสต่อไปเนี่ยคนเหล่านี้ก็คงเป็นหลักให้แก่ศาสนาได้แก็แสดงก็สอนเก่งๆว่าเด็กแกสนใจดีไหมทราบแต่ว่านี่ก็คือเรื่องมาจากฉันตาตาคือความพอใจในเรื่องเหล่านี้แล้วก็ความพยายามที่ต่อเนื่องมีความไัยรู้ไขวเรียนคือคือบุคุณธรรมเหล่านี้ที่จริงเราก็ใช้ในกรณีต่างๆแต่ว่าปริมาณมันก็ไม่ได้มากเท่าที่พระโพธิสัตว์ทันใช้หรอก แต่ก็ควรจะมีตามสมควรแก่ฐานะทั้งฟังทั้งหลายแต่ลมประพูยานในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขพอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี